เพราะความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รบรบรูปติยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิธมาถึงข้อความในจุลักกมาฟังคัสูตรที่พรเจ้าทรงแสดงแก่สุภามานณพบุตรของโตรเทยพราามถึงมากราภูลถามถึงความแตกต่างของบุคคลทั้งหลาย ก็เริ่มต้นคือคือท่านบอกว่าปฏิบัติฐาคือตัวเหตุนะครับพูดไงว่าตัวเหตุที่ทําให้คนอายุยืนอายุสั้นมีโรคน้อยมีโรคมากมีผิวพรรณซามีผิวพรรณดีแล้วก็มีสักดาน้อยมีสักดามากมีโภคาน้อยมีโภคามากมีสกุลต่ํำสกุลสูงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนคู่สุดท้าย เกิดมามีสติปัญญามากมีสติปัญญาน้อยนั่นเป็นความแตกต่างกันโดยกำเนิดคือเราพูดถึงหัวดีหัวไม่ดีที่จริงเป็นเรื่องน่าคิดนะตัวแนวไอคิวแนวไรต์อะไรต่างๆที่เขาศึกษาค้นคว้า ม, มามันก็มีเหตุผลแต่ว่ามนุษย์นั้นมีความเพียรเนี่ยจะเป็นตัวหลักคือจะแก้ไขได้ มีความมุมาณนะหมั่นขยนันเราจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้แต่เราเกิดมาเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะเพราะอะไเพราะว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยที่จริงมันมีอยู่สองระดับใหญ่ๆระดับหนึ่งก็เรียกสัญญาติกปัญญาปัญญาที่ติดมาโดยกําเนิดซึ่งก็หมายความว่ามโง่โดยกําเนิดหรือว่ามีปัญญาโดยกําเนิดก็แล้วแต่จะอยู่ด้านไหนเป็นผลของกุศลหรือผลของอกุศล คัวนี้ก็เป็นกรรมมัชรูปนะับเป็นกรรมที่สร้างจิตบิญญาณของมนุษย์สร้างรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะโยคับปัญญาคือเราสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นประกอบกัะทำบาเพ็ญ ถ, ถูกทางของเรามันก็จเจริญก้าวหน้าได้ประสบความสำเร็จได้ ทีนี้อดีตเนี่ยเราตามไปแก้ไขไม่ได้นะเขาก็ส่งคนเรามาเกิดแล้วส่งเรามาเกิดแล้วต่อเม่อต่อไปมันต้องได้โดนคนขวายเพื่อช่วยเหลือตัวเองคืออย่าดูหมิ่นตัวเองจุดอ่อนของคนเราเมื่อก่อนถ้าเราดูว่าจริงๆเนี่ยสังคมเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะในด้านดีๆด้านไม่ดีก็เยอะไงเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันใกล้ายๆกับคนไทยค้าขายไม่เป็นเลย ร้านค้าทั้งหลายเนี่ยก็รียกว่าร้านจีนนะก็ไม่ได้ร้านค้าเพราะส่วนใหญ่มันก็อยู่ในมือของคนจีนแล้วต่อมาก็พวกลูกครึ่งรูกอะไรต่างๆก็ทนไทยแท้ๆก็เริ่มจะค้าขายก็กว้างขวางกันขึ้นเต่จุดอ่อนยังมีอยู่นะะคือว่าความอดกั้นความอดทนเนี่ยมันไม่มีมากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต่ออารมณ์ ของลูกค้าที่เขาต่อราคาเ้าเซร้าซีอะไรแต่ไรเนี่ยส่วนมากมันจะอดทนไม่ก่ได้เาก็กลายเป็นปัญหาในภาคสนามอยู่เพิ่นกันซึ่งก็ต่อไปนะฮะศึกษาศิลปะวิชาการาต่างๆมากขึ้นเนี่ยคงจะปรับสภาพได้ไปเรื่อยๆหรือคนเราที่จริงถ้าเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้มันก็ไปได้นะไปได้มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้ในกรณีของคนที่มีเกิดมาสติปัญญาน้อยงโงท่ทึบนะฮะสติปัญญาดีจนถึงกับปัญญาอ่อนไปเลยเนี่ยก็รับสั่งว่าสตรีหรือบุรุษกรตามที่เข้าไปหาพวกสมณพราหมณ์แล้วก็สอบถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสดอะไรไม่ควรเสด อะไรเมื่อทมย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อโยเกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเนี่ยคำถามโครงสร้างตรงนี้นะมันจะเหมือนกับที่รับสั่งถามพวกชาวกาลามาศุลก็ไม่กาลามชนุลราเหมือนกันนะยัยจาแนกแยกแยะในตรงนี้คือคนที่มากไปด้วยอย่างเนี้ย คือแสดงว่าไม่ได้ใส่ใจฝ่ายรู้ไม่ได้สะสมปัญญาปัญญาไวประมาณปัญญาแบบประเภทที่ติดมาโดยกําเนิดเนี่ยซึ่งคนหลังเรียกว่าพรสวรรค์เราเรียกว่าสายชาติกปัญญารู้เจ้าเรียกว่าสายชาติกปัญญานะคนตรงนี้ก็จะมีน้อยเกิดมาก็โง่เขลาในแง่คนงธรรมะเขเรียกว่าเกิดมาด้วยด้วยโมหะก็แสดงว่าใจมันก็ขุน ทีนี้ถ้าแรงเนี่ยจะตกนรกเหมือนกันเพราะว่าโมหะอย่าลืมเนาะโมหะมันมีโทษมากแล้วก็คลายยากที่สุดโดยคนทําลายโมหะได้หมดสิ้นเนี่ยก็คือทํำลายวิชาได้หมดสิ้นก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเพรา ะ, ะ น, นถ้าเขาทําให้มากกลัมีนลักษณะเหล่านี้มากเนี่ยก็ตายไปเลยจะเข้าถึงตุกติวินิบาสนรกเหมือนกัน แล้วก็ความก็ทรงใช้เหมือนกรรมนะรเพราะกรรมนั้นนั่นเขาไว้พรั่งพร้อมสมาทานไวอย่างนี้ทีนี้สมมติว่าตายไปแล้วไม่ถึงก็ไปเกิดในนรกแต่เกิดเป็นมนุษย์แดีวเกิดในที่ใดก็ตามนะก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาสามสามเนี่ยมันก็อาจจะอ่อนอ่อนก็ได้นะน้อยก็ได้ก็สรุปว่าระดับสติปัญญาหรือไอคินี่ไม่สูงพอ อันนี้มันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตแล้วก็เป็นกรรมที่นำเข้ามาเกิดซึ่งแน่นอนว่าผลพวกนี้ถ้าพัฒนาเนี่ยมัต้องใช้เวลาเยอะนะต้องใช้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเยอะสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเคยเจอกับคนเขาบวชหน้าเขออาอ่านหนังสือไม่ออกนะซ้อมขันหน้าเขาเนี่ยเอานโมอย่างเดียวในสามคืนเนี่ยแยกเดย ว่าจะบวชได้เนี่ยขับเคี่ยวกันสาหัสเนยโบกแม่บางคนบางทีมันก็ทึบมันก็ทึบเด็ดขาดจริงๆเหมือนกันนและคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างตัวอย่างนะพระพระจุลปันถกเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านที่จริงก็เป็นหลานเศรษฐีนะ แต่ว่าแม่ก็หนีตามคนใชายไปเพราะฉะนั้นสกุลก็ยากจนต่อมาก็มาอยู่กับคุณตาซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วก็พอใจนะจะบวชแต่พอบวชจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะฮะท่านท่องคาถาสี่บรรทัดเนี่ยสี่เดือนเนี่ยจำไม่ได้จนขนาดว่าพี่ชายซึ่งเป็นประหา น, นี้แนะนำให้สึกถือว่าสติปัญญาโงท่ทึบเนี่ยมันไปไม่ไหว แต่ท่านก็ปักใจสนใจที่จะอยู่ที่จะบวชเป็นพระแต่ว่าถึงจุดหนึ่งในท่านก็โทรมาแนทนะเพราะว่าท่านนาณาตะบินิกาเศรษฐีมานิมนท์พระไปฉันที่บ้านพระมาปัณฑกะนั้นท่านเป็นพทัทุเทพเกิคนที่แจกพัดแล้วก็บอกว่าสมบุกอื่นนะรับให้ได้มีพระองค์โง่ทึกมากจะไม่รับให้หรอกจะไม่เอาไปท่านเลยก็น้อยใจ แต่อาจจะเป็นอุบายวิธีนะฮะพระอราหารันต์นั่นคงไม่ น, นั่นอะไรเราคงเป็นอุบายวิธีอย่างเด็กในการที่จะฝึกในการกระตุ้นจิตปัญญาณของประจุลบันทบออกมาให้ได้พระเจ้าเสด็จไปไปรออยู่เมื่อท่านเดินไปคิดว่าจะสึกแล้วพี่ชายเขาไม่พอใจอะไรสึกหือเปล่าพระเจ้าก็ไปเสด็จไปขวางไว้ก็ไปคุยด้วยนะฮะรับสั่งจุลมัรพ์ทบจะไปไหนจะไปสึกทาไม่จะสึกละ่ะ พ, พี่ชายเขาไล่เสร็จเจ้าก็รับสั่งว่าเออแล้วก็เธอบวชอุทิศพี่ชายรู้บวชอุทิศเราล่ะเธนึกได้นะเธอคานึกได้ใจชื้นคืเอเยอะเลยบอกข้ารพระองค์บวชอุทิศพระผู้มีพระภาคนะไม่ได้บวชอุทิศพี่ชายพระเจ้าบอกอา้าวก็เรายังไม่้สึกนี่จะสึกทําไมล่ะเดี๋ยวสึกเลยก็ยังยังภาพบรรพบุรุษบรรยากาศตรงนี้มาชอบมาว่าพระเจ้าทรงจูงพระหัตถ์เด็คนลูกหัวนะะ หายากที่สุดเลยที่จะใช้เรียบทอย่างนี้แต่ว่าท่านโทมนัตมากมันต้องปลูกปลอบสร้างขันกำลังใจของท่านขึ้นมาแล้วก็ไปถึงพระเจ้าก็เอาผ้าขาวให้นั่งบริกรรมขาวสะอาดบริสุทธิ์จ้ะแต่ผ้าที่สำเร็จวยดิยเนะแต่ให้บริกรรมก็มีข้อแม้ว่าหลับตาได้ลืมตาก็ได้ก็นั่งขยี้นะเอาผ้ามาขยี้เฉย เรียว่าผาเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นบริกา ร, รบรรจโจรนังบรรจโจรนังแปลว่าผ้าเปื้อนทุ่ีนะเปเื้อนฝุ่นก็ท่านชื่อนะชื่อมากก็สั่งยังไงก็ทำคือจาสั่งยังไงทำยังงนะั้นต้องทำยังงั้นน่ะนั่งบริกรรมจนตะวันมันขึ้นสว่างอากาศก็ร้อนขึ้นไปเรื่อยแล้วถ้านั่งอยู่กลางแดดเหงื่อโจกมือนี่เปื้อนด้วยเหงื่อพอลืมตากันดูในผ้าดำหมดแล้วติดขี้ใคร เกิดพิจารณาเห็นใช่ปัญญาพิจนาจเจริญวัสนาบรรลุมรคผลเป็นประหานไปพวดไปได้และในการต่อมาเนี่ยภิกษุก็สงสัยว่าทําไมมือขนาดเนี้ยมีบารมีมาขนาดนี้จะบรรลุมรคผลเป็นประหานได้ทาไมเอค า, าถาสอบบรรทัดทองไม่ได้สี่บรรทัดนะทองไม่ได้พระเจ้าบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาคือในชาติก่อนเนี่ยที่จริงก็กระเจี๊ยวฉลาด จากก่อนโน้นก่อนนานไกลอนะฮะก็เฉลี่ยฉลาดมีไหวพริปฏิพัณธ์สูงแต่พอดีก็ไปดูหมิดคนอื่นหัวเราะย่อกคนอื่นที่ท่องหนังสือไม่จำํำระบบการบาลังก็สนองให้ท่านท่องหนังสือไม่จาเหมือนกันแต่ส่วนบารมีอื่นมันก็มีอยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าได้จังหวะถูกทางข้าวเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าให้เกิดความสงบคือไม่ให้ท่องสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นมาก่อน ประสมาธิปัญญามันก็เกิดนะฮะเปิดได้บทเรียนจากไอ้ร่างกายที่มากประเดึงเหงื่อใครเป็นของปฏิคูณสกปรกจะกลายเป็นเครื่องมือในการเจริญมีปัสนาบรรลุพักตได้ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตรงงานข้า ม, มานะฮะสมัยผ่ามาเป็นผู้ใส่ใจเป็นใครต่ อ, อการศึกษามีเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าจะรู้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ พีเจ้าแลาสังว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคือผู้ใดไข่ธรรมจะเป็นผู้เจริญผู้ใดช่างธรรมจะเป็นผู้เสื่อมเดี๋ยวเวทีนี้คนไข้ธรรมก็ใส่ใจฝ่า ย, ายรู้อยากรู้อยากเห็นอยากทําความเข้าใจนะกับสิ่งต่างๆมันก่อนในลูกศิษย์เขาออกไปมีลูกมีเจ้านะเขานาลูกหลานมาไหวเพราลูกมาไล่ลูกมาไห ว, ไวเด็กเด็กพอวิ่งได้นะพอวิ่งได้ก็เด้นได้ คนในวิ่งได้ก็วิ่งเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ดูๆเออเด็กก็อยากรู้นะเป็นลักษาะการอยากรู้อยากเห็นสนใจจับตรงนั้นดึงตรงนี้อะไรแต่เรามองไปว่าสนในจริงถ้าเราดูให้ดีคือเด็กก็ใครเรียนใครรู้มีความสนใจนะ า, านสนใจต้องการรู้จักมันว่าอะไรเป็นอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะไอ ต, ตัวหนึ่งคนหนึ่งอายุเท่าไหร่อะหัว วอบสามเดือนอะไรเนี่ยพ่อเขาบอกว่าทุกถ้าโทรศัพท์เป็นสีห้าเครื่องไงโทรศัพท์มือถือคือก็มาค้นคว้าก็มาเคาะดูก็มานั้นดูก็ก็กนี่ก็ธรรมชาติคือบอกว่าคือบางครั้งถ้ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ดูไปอย่าไปห้ามก็หมดจะไปห้ามก็หมดให้เขาสนใจก็วางวางเอาไว้ที่จะไมเป็นอันตรายได้กันเด็กก็ได้ศึกษาไปดูก็แสดก็สนใจนะก็ใฝ่ใจก็อยากเรียนอยากรู้ ทีนี้คนคนประเภทนี้พอก็โตขึ้นมาเนี่ย ก, ก็ถามเข้าหาคนที่สามารถให้คำตอบแกเขาได้นะให้คาตอบแกเขาได้ยังสังเกตที่ไปบรรยายอบรมในในหมหาวิทยาลัยนะฮะมหมาวิทยาลัยในโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปที่โรงเรียน ร, ราชินีล่างนนะนักเรียนเธอถามปัญหาเนี่ยท่านเธอขอต่อเวลา ปัญหาเยอะจริงๆแล้วก็ถามหน้าตอบนะเป็นปัญหาที่หน้าตอบแล้วก็นักศึกษาหอการค้าอีกแห่งเนี่ยไม่เคยตอบเธอจบคือปัญหาก็เรียกว่าเราตอบได้ประมาณยี่ิ้าปอร์ซ็นตะตอบมันหมดเวลาไปก่อนบางทีปัญหาหนักตั้งครึ่งกิโลเอามาเรียงเป็นร้อยๆข้อนะเรียง ม, มามาพิมพ์รักษาต้นฉบับไว้เป็นอะไขกคือแสดงว่าก็เด็กคก็สนใจไฝไฝรูป แล้วก็จากการสังเกตในส่วนใหญ่เธอจะถามในแวดวงของศาสนาเธายังก็สนใจเรื่องศาสนาและแนตัวนี้ไปไปต่างจังหวัดเวลาจะเปิดโอกาสให้ตอบปัญหาส่วนมากในอย่างที่โคราชเนี่ยเวลาเนี้ยที่เขาไปไปเดือนนึงสามสี่ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญหาปัญหาก็เตรียมไว้แล้วปัญหาจะเยอะมากแล้วก็ตอบไม่เคยจบนั่นก็แสดงให้เห็นว่า ลักษณะเขาใฝ่รู้คืออยากเรียนอยากรู้มังกรสะสมในจิตตะสันดานเราดูในชาติปัจจุบันก็นแล้วกันน่ะอาจจะไม่ต้องดูยาวผ่านภบชาติก็ได้ว่าคนที่ไฝ่รู้อยากเรียนอยากรู้อยากสักถามชอบคุยชอบอ่านชอบค้นคว้าชอบสังเกตอะไรแต่ไรเนี่ยมันเพิ่มพูนสติปัญญามาพัฒนาจิตวิญญาณให้โมหะคือความเข่านี่ยมันเจือจางเบาบางลงไปโดยลำดำําดับเพราะคนคนนี้ก็รักษั่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะเข้าไปหา สมณพราหมณ์แล้วก็สอบถามเขาว่าสมณพราหมณ์ในที่นี้ยมันไม่ได้เจาะจงมาต้องเป็นนักบวชหรอกหมายความว่าคนที่มีความรู้เพียงแต่ว่ายุคสมัยตรงนั้นความรู้มันไปกระจุกตัวอยู่ที่พวกสมณพราหมณ์คล้ายๆกับบ้านเราสมัยก่อนรายการที่ห้าเนี่ยเราจะเห็นว่าความรู้มันกระจุกตัวอยู่ที่พระกับราชการชาวบ้านมันก็ภูมิบัญญาชาวบ้านอะไรเล็กน้อ ย, อยตามที่ล่าแบบประหลาด ของพระเราเองจริงๆอ ย, งอย่างบางเรื่องก็ปรำปราอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่สรุปว่ามันก็เข้าไปหาธรรมาพระรามแบบนั้นแล้วก็หนังสือทั้งหามันยังไม่มีเรียนกั น, นะท่านก็ไปถึงกระสอบถามอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อ, อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพคําว่าเสพเนี่ยบางครั้งหมายต่างการคบผาบางครั้งหมายถึงกินนะฮะ นะเจ้าปัจจัยสี่เนี่ยทัญชา้ากรรมเสพเหมือนกันเกิด น, นี่คืออุปโภคบริโภคเห็นไหมแล้วบางทีครอบครัวผา น, นี่ยก็หมายถึงการครบหา เ, าเรียกอาเสวนาปัจจัยคือปัจจัยคือการซ่องเสพการครบหาสมาคมกันภาษาชบริภัณฑทีแปลแล้วก็ก็ยากนะฮะทีนี้เมื่อผู้ใหญ่ท่านทับศัพท์มาแล้วเนี่ยรูบาอาจารย์นทับศัพท์มาแล้วเราก็ต้องแปลไปตามนั้นนะแต่ว่าก็ต้องอธิบายขยายความกันหน่อยทีนี้เมื่อทําไปแล้วเนี่ย เป็นประโยชน์เกือกูลหรือว่าเป็นทุกตลอดการละนานเนี่ยก็สอบถามทีนี้เธอก็พัฒนาปัญญาได้เหตุได้ผลในการวิเคราะห์วิธิใช้แตดสินในคนเราเนี้ยตายแล้วจะบังเกิดในสุกติปัจจัยเป็นฝ่องแพรวนะอย่าเลวปัจจัเป็นฝ่องแพร่บางทีฝ่องแพร่ม า, มากก็เรียกว่าสาัตว์ในไตรเหตุคือ ก่อนดับจิตนี่มันจิตมันผ่องแพ้วจากรลาอะโลพาตุสาโมหะก็เป็นสัตว์ในใจเห่คนนี้สติปัญญาแหลมคมก็ยังนึกถึงสีปราดนะฮะนึกถึงสีปราดว่าโครงบทนั้นที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงนิพนมาที่จริงต่อยากกันนะเนื้อมันมันรู้สึกรู้สึกว่าลึกซึ้งมันเกินวัยเด็กที่จะไปคิดได้นะฮะปยาเวลาที่บดียังคิดไม่ได้เลย อันใดย้ำแก้มแม่หมองหมายยุงเหลือบริลินกายดอกครับต่อเลยนะผิวชนแต่จะกลายอย่างยากใครจะอาจให้ชจำชกเนื้อเรียมสมุูรไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเด็กก็ประมาณสิบขวบนะเขียนได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนันก็แสดงว่ามันเป็นสชาติกะปัญญาเป็นอัจฉริยะนะเก่งเป็นคนที่พิเศษแต่เก่ง ซึ่งคนเหล่านี้ยตามปกติแล้วเนี่ยแต่รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างดีเนี่ยมันเป็นมังกรติดปีกไปได้เลยจากนั้นถ้ากุศลเต็มที่จะเกิดสวรรค์นนะเกิดในสุกติแต่นี้ถ้ายังไม่เต็มที่คือไม่เต็มที่ระดับนี้นะระดับศึกษาธรรมดานะตรงนี้ถ้าเต็มที่มันก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วถ้าปัญญาก็เต็มที่เนะี่ยก็ ก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่ามีสติปัญญาดีเขาเรียกว่ามี ส, สชาติกะปัญญามีไว้พริปฏิภานะจำนวนปัจจุบันก็คูณจะมีไอค q ออะไรต่ออะไรนี่ MQ ็ q, q, q กันหลายคิวตอนนี้ก็จะสูงกว่าปกติดังนั้นก็ทรงสรุปทรงสรุปไปเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่สรงสแสดงเนี่ยปฏิภาปฏิาทาเพื่อ มีอายุยืนย่อมนำไปสู่ความเป็นผู้มีอายุยืนหรือการเป็นบัติเพื่อมีอายุสั้นก็ทำให้นำคนไปสู่อายุสั้นคือหมายความว่ากรรมนี่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวหมุนเป็นตัวนาคนให้ไปสู่ผลต่างๆทั้งบวกทั้งลบก็ทั้งหมดลองสังเกตว่าก็ประมาณแปดคู่นะแตดคู่ด้วยกันแล้วก็มาทรงสรุปไว้ในตอนท้ายนี่เหมือนเดิม ตัวนี้ที่บอกไว้ว่ามันเป็นอภินาปัจจะเวกขณะและอยู่ที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกเถิเพียงแต่ว่าตอนปลายเนี่ยจะสรุปยังไงเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแต่ว่าพูดเรื่องคนอื่นนะก็สงใช้กรรมศัตร์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันใดว่าจะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั่นแต่ในกรณีนี้ เป็นการพูดถึงคนอื่นก็พูดว่ากรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีแตกต่างกันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ตลอดสังสารวัฏเนี่ยคือพลังขับเคลื่อนของกิเลสกับกรรมถ้ากิเลสมันจางนะฮะกรรมมันก็เป็นกุศลสูงขึ้นถ้ากิเลสมันเข้มนะฮะกรรมมันก็เป็นอกุศลมากขึ้น เราลองสังเกตตัวเราก็ได้นะเช่นเช่นสมมติว่าลกูกหลานได้อะไรก็ได้รรกถ้าเราโกรธเนี่ยอาจจะจับไม้ขึ้นมาเงื้อมือจะตีลกูกหลานก็ทําตาแล้วค่อยแล้วก็กราบขอขมาโทษเนี่ยกิเลสมันลดอันตรีไม่ได้แต่แม้ปริมาณของกิเลสเนี่ยมันจะเป็นกําหนดปริมาณของกรรมกิเลสจางธรรมะเพิ่มกรรมเป็นกุศลสูงขึ้น กิเลสเข้มธรรมะลดกรรมเป็นอกุศลมากขึ้นซึ่งหมายความมากิเลสเพิ่มนะคือพวกนี้จริงๆมันมันถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้าดูที่สภาวะจิตเนี่ยเขาเป็นข้าสื่อกันคือตรงกันข้ามกันแต่เราเทียบระหว่างจุดไฟในห้องเหมือนอกุศลเนี่ยปริมาณไฟเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยปริมาณความเพิ่มเพิ่มความวามืดก็ลดลงไปเท่านั้น แต่ปริมาณของดวงไฟน้อยลงเท่าไรเนี่ยความมืดก็คืบคลานเข้าไปมากเท่านั้นนั่นเองอันนี้ก็เลยกลายเป็นกฎเป็นข้อที่สามารถสังเกตทเทียบเคียงในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วก็ท่านสุภาพมานุปก็สรงสันเสริญกราบทูลสันเสริญ ม, มาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะก็เป็นสูตร ว่าโรงทรงแสดงธรรมเหมือนกับหายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนลงทางหรือตามประชีพในที่มืดโดยหวังว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้จากนั้นก็แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสนะที่พึ่งตลอดชีวิตนะขอให้ผู้เจ้าได้จําท่านไว้ด้วยว่าท่านเนี่ยคืออุบาสกที่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเห็นว่าเป็นเด็กหนุ่มนะฮะแต่ภาคภูมิใจพอใจที่จะให้เรียกพระตัวเองว่าอุบาสกซึ่งผิดกับคนยุคนี้นะฮะแต่ละสํานักแต่ละอะไรแต่อะไรก็ะรจะตั้งอนณาจักรเขาขึ้นมาเองเรียกสายบุญมั่งเรียกสายัสทำบ้างเรียกอะไรละกันละยานามิตรบ้างเรียกประมาจารีบ้างเลคมาจารีอะไรแต่ลเยอะแยะหมดเลย คำในวิชาเรียกแมวมาใช้เราชอบไปบัญญัติคิดมาเองเราเรียกกันมาเองก็กลายเป็นอนาจารมันกลายเป็นความแบ่งแยกเออถ้าทุกคนชาวพุทธทุกคนเรียกตัวเองว่าอุบาสกบาสิกามันเป็นจิตสํานึกนะฮะเป็นจิตสํานึกที่รับจะรับผิดชอบในสถานภาพที่ตนเป็นเพราะาคำว่าอุบาสกแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระรถนาไพร มีลักษณะเหมือนกับราชวัลลบนะฮะูกายชิดพระตนันาไตรกายชิดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วในขณะเดียวกันมันเป็นชื่อที่เกิดขึ้นโดยธรรมะเจนว่าคนมีเมตตาคนนี้มีเมตต า, คน น, ตาคนนี้กรุณาคนนี้ขี้โกรกคนนี้รทษยานะฮะมันมันเป็นการสะท้อนธรรมสะท้อนกุศลอกุศลภายในใจของบุคคลเหล่านั้น มันพอสํานึกว่าเราเป็นประศบมันก็มองกลับไปบวชศบประสิกามันก็มองกลับไปถึงคุณธรรมที่ทําให้เป็นปบวชศกปสิกาแต่จะมีการตรวจสอบตัวเองวิเคราะห์ตัวเองนะฮะแทนที่จะไปวิเคราะห์ไปตรวจสอบไปจับผิดกับผูกคนอื่นมันก็กลายเป็นการศึกษาตรวจสอบตนเองกือเป็นเหตุให้มีความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จในชีวิตในการงานขึ้นไปได้โดยลำดำําทั้งฟังทั้งอะไร และหมาพุทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี